ก็รหรับตอนนี้เราก็จะได้พูดถึงเรื่องของปฐมนิเทศนะนะเที่ยวนี้หลวงพ่อขอใช้ภาษากลางทุกครั้งใช้ภาษาลาวไปแต่พอเอาไฟไปให้เขาฟังเพื่อจะคัดลอกเป็นหนังสือแล้วเนี่ย เขาคัดไม่ออกเขาเป็นว่าเขาฟังภาษาเราไหมที่พอพูดออกบ้างไม่ออกบ้างเบอกให้หลวพู่ดภาษากลางเหมือนกันนะพวกเราทุกคนก็คงจะฟังออกอยู่อเพราะว่าต่อหลังนี้ก็เอาไฟเสียงะไปทําหลายอย่างวิดีโอบ้างคัดลอกเป็นหนังสือบ้างอืก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะบางทีเขาก็ไฟอันนี้ยไปทําเป็นวิดีโอดังนั้น ในการจัดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นาการจัดที่มีเวลาค่อนข้างยาวอยู่นะเพราะนั้นหลวพ่อก็คงจะให้ศึกษาโดยละเอียดนะไม่ว่านักเรียนเก่านักเรียนใหม่ครั้งนี้เพื่อจะได้เป็นการทำลักษณะธรรมวิจัยนะคือปฏิบัติแล้วก็วิจัยทำไปในตัวนะ ถ้าเรามีกันไม่มากคนเนี่ยเป็นผลดีตรงที่ว่าเราจะได้ลงลึกในรายละเอียดของแต่ละคนได้มากขึ้นได้มีเวลาดูแลกันใกล้ชิดมากขึ้นนะที่ในเมืองไทยเราบางทีคนเยอะนะสามสิบี่สิบห้าสิบคนบางงานก็เป็นร้อยสอง้อขึ้นไปดูแลก็ไม่ทั่วถึงถ้ามาอเมริกานี่ค่อยชั่วหน่อยเพราะว่าคนไม่มากก็ทําให้เรา ดูแลกันทั่วถึงนะก็แต่แล้ววันก็จะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เราสวดเป็นเรื่องๆไปนะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราเริ่มสวดอะไรวันนี้ตั้งแต่เราสมาทานศีลนะสมาทานศีลตั้งแต่พุทธังสนังกาชามิต่อมาก็นี่เขาเรียกว่าสมาทานพระรดาไตรพุทธังธระมังสังขัง หลังจากสมารณ์รัตนตรยแล้วก็สมทานศิ้นแปดหลังจากสมารณนสิ้นแปดแล้วก็สมาทานกรรมฐานนะ <c oughs> ยนี้ก็ได้กล่าวเอาทั้งสามส่วนนี้ก่อนลงรายละเอียดเลยนะนี่การลงรายละเอียดหมายถึงว่ามันจะมีติดทั้งทั้งสมมุติทั้งปรมัตดไปในตัวสิทธิ์มางัเะคนนี้เพื่อ เราเข้าใจได้ตามลำดับเพราะนักเรียนผู้ศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนเก่านะก็จะไม่ต้องปลุกเราศรัทธากันให้มากมาเลยนะแต่ว่าจะให้ศึกษาในความหมายภาคปฏิบัติไปเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราทุกพิธีกรรมนในศาสน า, าพิธีของเราต้องมีการรับสินในงานที่เป็นการไปงานหน่อย เราก็เเติมต้นตั้งแต่ไหวพระนะโมไปทีนี้สาระสาคัญก็มาขึ้นกับว่าพุทธังสรังก็ชามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นที่พึ่งทีนี้มันก็ในแง่สมมุติถึงพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของพุทธเจ้าระดับไหนนะพุทธเจ้าระดับสมมุติมีอะไรบ้าง ผู้ไเจ้าระดับสมมุตินับตั้งแต่เจ้าชายสิท ธ, ธัตนถะได้ค้นพบนะได้ออกค้นพบได้ออกสแสวงหาโดวยวิธีการต่างๆซึ่งพุท ธ, ธตัวจริงเนะี่ยเราถึงพุทธเจ้าตัวจริงไม่ได้ถึงเจ้าชายสิทธัตถะเป็นที่พึ่งนะแต่ถึงธรรมะที่ทําให้ คนเป็นพุทธเนี่ยเป็นที่พึ่งแต่ว่าเจ้าชายเสียทาที่ท่านออกบทเป็นพระสมณะสักยะบุตรเนี่ยได้ค้นพบนะสภาวะพุท ธ, ธในใจเนี่ยทุกคนแล้วท่านก็ทําตัวภาวะพุท ธ, ธตรงนั้นนะ่ะให้เป็นที่พึ่งได้นะเพราะนั้นเราคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ถึงซึ่งพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ คือองค์ของสมณะสักยะบุตรและพร้อมกับภาคปฏิบัติของท่านเป็นที่พึ่งอันนี้ในแง่สมมุติคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยก็ยังจะนึกไม่ออกว่าพุทธภาวะในใจเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่คนที่ได้ปฏิบัติแล้วก็จะรู้ว่าถึงพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพุทธเจ้าตัวจริงคืออยู่ที่ไหนนะก็ <c oughs> จะรู้เพราะว่าได้ทา ตรงนั้นอยู่แล้วทีนี้องค์ของสมณะสักยะบุตรเป็นที่พึ่งเพราะว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติสามารถระลึกย้อนไปเมื่อสองพันกว่าปีได้รับรู้เรื่องราวของท่านจากเรื่องประวัติศาสตร์หรือตำนานเขียนเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีผู้ผู้มีได้สร้าง บารมีมามากมายนะสี่อสงไขยแสนกับเราก็จะลึกถึงลักษณะที่พระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีบุญญาธิการสร้างบุญบารมีมานานเป็นเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ในภพชาติต่างๆเนี่ยตั้งแต่นับตั้งแต่พระเตมีใบมาจนถึงพระเวสสันดรในสิบชาติ สุดท้ายเราก็จะลอกถึงคุณงามความดีของผู้ดิศร์ที่ทาให้เป็นผู้ดิเจ้าอันนี้สำหรับคนไม่ได้ปฏิบัตินะคนทั่วไปเนี่ยจะต้องเอาเรื่องของประวัติของผู้ดิเจ้าตั้งแต่ก่อนเกิดเอามาแล้วก็เกิดมาแล้วท่านก็ยังมาบำเพ็ญบรารมีต่ออีกตั้งหปีเทาั้นเรถึงได้บรรลุธรรมหลังจากบรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้มี พระบรุญสูตรที่คุณพระปัญญาคุณพระมหาการุณาที่คุณนําเอาคุณเหล่านี้ออกเอผยแพร่แก่คนทั้งหลายจนคนทั้งหลายเนี่ยได้รู้ตามเห็นตามเข้าใจธรรมเข้าใจตามในสิ่งที่ท่านมาบอกมาสอนเพราะท่านได้ค้นพบพุทธภาวะในตัวท่านแล้วก็นําเอาพุทธภาวะตัวนั้นมาบอกมาสอน <c oughs> นี่คนทั่วไปก็จะต้องนึกภาพจําภาพเหล่านี้ได้ตลอดถึง ความมหาศจรจันต่างๆบุญญาบรารมีบุญญาพินิหารต่างๆของพระพุทธเจ้านับแต่ท่านเกิดมาแหละเกิดมาได้สามวันมีอัศิตราบทเข้าเฝ้าแล้วก็ได้ทำนายว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ได้กมกราบนะเราร้องไห้เสียใจว่าตนเองจะมีอายุอยู่ไม่ถึงเจ้าชายยดัสรูมีบุญญาธิการ ถึงขนาดว่าเป็นเด็กตอนเป็นเด็กพาไปนั่งใต้ต้นไม้ในสมัยท่านแรกนาขวัญแล้วต้นไม้ก็กันลมให้โดยไม่ขยับหนีแม้เป็นเวลาช่วงบ่ายก็ตามพอประสูตรมาได้ห้าวันก็เกิดมีการประชุมพราหมณ์ร้อยแปดคนมาทำนายทายทักถึงอนาคตของท่าน ว่าบางท่านร้อยแปะร้อยเจ็ดท่านนะทำนายว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าวิสา ส, สดัยของโลกถ้าไม่ออกบวชจะเป็นได้มหาจะเป็นได้จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดินี่แล้วก็เจดวันต่อมาก็พร ะ, ะมารดาก็ถึงสวรรคตหรือตายน่ยแล้วท่านก็ได้ศึกษาจนอายุถึงส6ได้ได้แต่งงานนะ ตนะช่ง29ท่านได้ออกบวชก็ลําดับมาเนี่ยนี่ภาพของพระพุทธเจ้าในอดีตเอามาลําดับมาโดยย่อเห็นภาพและก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่ประสูติตั้งแต่ยังไม่ประสูตินะก็ได้แสดงอภิริหารต่างๆเกิดมาแล้วเดินได้เจ็ก้าและแต่ละเก<ม>้าก็มีดอกโบว์ผุดขึ้นมารับและแต่ละเก้าท่านก็ได้กล่าวเปล่งวาจาเนี่ย ดัง น, นคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาก็จะต้องประมวลเอาความ อ, าอภินิหารบุญญาที่การของท่านมาเป็นที่พึ่งมาเป็นที่ระลึกเพื่อให้เห็นว่าเออการได้ประกอบคุณงามความดีอย่างสูงเนี่ยมันมีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอภิญฐานอ่าเราก็ถือเป็นเป็นสาระอันนี้เขาเรียกว่าในภาคสมมุติ สำหรับคนทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจ <c oughs> นี่พอมาถึงพระธรรมในภาคสมมุติบางพระธรรมในภาคสมมุติพระพุทธเจ้าในภาคสมมุติอีกอย่างหนึ่งจนถึงทุกวันนี้เราก็เอาพระพุทธเจ้ามาปั้นมาปั้นเป็นพุทธรูปนะปางต่างๆเป็นที่เคารพนับถืออันนี้ก็เรียกว่าพุทธเจ้าปางสมมุตินะปางสารพัดอย่างเอามา ปันนะแล้วกามานะนะ็มาบูชามาบูชามรักษานะเข้าใจว่าบุญญาธิการและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าจะรักษาตัวเองนี่เขาเรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าโดยสมมติเป็นที่พึ่งเราก็มีการข่อยพระแขนพระกันมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาสร้างสถานที่นะแทนบูชาขึ้นมาองค์ หล่อองพระราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านด้วยเนื้อทองเนื้อเพชรเทือทองคำเนื้ออะไรก็ทำขึ้นมานี่ขึ้นเป็นพุทธโดยสมมุติเป็นที่พึ่งอีกระดับหนึ่งนอกจากเป็นประวัติคุณงามความดีแล้วเนี่ยนี่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาต้องเอาสิ่งเหล่านี้มารมมาเรามาปลุกให้เกิดศรัทธาเชื่อมัน่นนะ แต่ถ้าเราจะหยุดกันแค่นั้นก็หมายความว่ามันก็ยังไม่สามารถทำให้เกิดตัวพุทธะที่แท้จริงต่อมาเมื่อคนนั้นเกิดปัญญาเกิดศรัทธาแล้วก็มาวัดบ่อยๆมาวัดบ่อยๆก็ได้พบพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้พบท่านผู้รู้มาบอกกล่าวต่อไปว่า คือผู้พุทธเจ้าทีนะ่องค์จรเนี่ยนะองค์ที่เป็นเนื้อหนังมังสาที่เป็นรูปเนี่ยท่านได้ตายไปแล้วแต่ก็มันหมายความว่าตัวพุทธเจ้าที่เป็นปรมัติต์หรือที่เป็นของแท้จะตายไปด้วยมนนะุษพุทธเจ้าที่ยังอยู่นี่เขาเรียกพระธรรมนะามาเรียกพระธรรม เพราะนั้นพระธรรมเนี่ยมีอยู่ในคนทุกคนพระธรรมคือความจริงนี่เขาเรียกว่าพุทธเจ้าที่มีอยู่พระพุทธเจ้าองค์ที่ล่วงรับไปหมายถึงเจ้าชายชิตาก็ได้ค้นพบพระธรรมนี่แหละคือค้นพบพระธรรมเราก็สมมุติเอาพระธรรมเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองนะเช่นว่ามีหลักฐานว่าตอนที่ท่านจะ เข้าสู่นิพพานเนี่ยพระสาวกบางท่านก็ได้อ้อนวอนว่าขอให้พระองค์ได้ตั้งพระเฮระผู้ใหญ่เป็นผู้ทธ่เจ้าทาหน้าที่พูทธ่เจ้าแทนท่านก็บอกว่าธรมและวินัยที่ท่านสอนมาสีสบหาปีนั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าเป็นศาสดาแทนท่านเราก็ถือเอาความหมายตรงนั้นว่าพูทเจ้า ที่แท้จริงคือพระธรรมวินยัยนี่พระองค์ได้ตรัสยืนยันรับรองไว้เราไม่ได้มาสมมุติหรือไม่ได้มาว่าเอาเองแต่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าพระธรรมวินยัยใดที่เราตถาคตไดโอรมสั่งสอนมาเป็นวเวลา45ปีทมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาเป็นองค์พุทธะแทนเราที่นี้เราจะทำงไงถึงจะปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมวินยัยนี่สาคัญ ถ้าเราไม่ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมวินัยที่ท่านตรัสเอาไว้นั้นก็ยังเราก็ยังไม่พบพระพุทธเจ้าองค์จริงแล้วพระธรรมวินัยคืออะไรนี่เราจะเริ่มเข้าสู่พระพุทธเจ้าตรงองค์จริงละเพราะถ้าท่านบอกว่าเออเราตายไปนะองค์เจ้าองค์นี้จะ อ, อยู่ทําหน้าที่แทนเราเดี๋ยวพรทํารรวินัยเป็นเป็นองค์รูปธรรมหรือนามธรรมเป็นสมมุติหรือเป็นปรามัดเนี่ย มีคุยเช่นขึ้นมาใช่ไหมว่าพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นลูปธรรมหรือนามธรรมก็ต้องเป็นนามธรรมาใช่ไหมเป็นสมมุติหรือเป็นปรามัดก็ต้องเป็นปรมัตอ่านั้นหมายความว่าพระธรรมวินัยคืออะไรนี่พระธรรมวินัยคืออะไรนี่สำคัญพระธรรมคือตัวปัญญาอ่านลมาใกล้ๆนี่คือตัว ใจของเราแล้วพระวินัยคือสติเพราะฉะนั้นในคําสอนท่านบอกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเอาสติเป็นวินัยนั่นก็หมายความว่าการมีวินัยนั้นจะต้องมีสติการมีวินัยก็ต้องมีศีลถ้าหากว่าจะเรารักษาศีลคือรักษาสติเราก็จึงมาเจริญศีลด้วยด้วยการเจริญสตินี่นะ เ, เราเข้าล่มสู่หมดของพุทธเจ้าองค์จริงตัวนี้นะ พอเราเจริญสติเนี่ยมันจะเกิดศีลขึ้นมาศีลระดับไหนศีลมีสองระดับศีลในระดับสมมุติเราเรียกว่าพระวินยัยคําว่าศีลคําว่าวินยัยคําว่าสติสัมพันธ์กันอย่างไรคําว่าสติเนี่ยในภาคของสมมุติเรียกว่าคําว่า สติในภาคของสมุรเราเรียกว่าวิไนเราเรียกว่าศีลศีลในภาคของสมุรเราเรียกว่าวินันท้ไามาจึงกล่าวอย่างนั้นเพราะคนเจริญสติแล้วเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเจริญสติอยู่ถูกต้องนั้นจะต้องเกิดศีลปรามัดขึ้นมาก่อนศีลปรามัดคืออะไรศีลปรมัดคือเฮริโอตปะเฮริโอตาปะเป็นตัวตนไหมไม่เป็นนะ ไม่เป็นนั้นฮิริคือความละอายชั่วอุตปะคือความกลัวบาปความอายชั่วกลัวบาปนี่เป็นหัวใจของศีลนะท่านก็เอาตัวศีลเนี่ยเอามาเป็นสมมติอีกบัญญัติศีลสมมุติออกมาเป็นศีลห้าศีลแปดศีล2องยบเจ็ดศีลสามร้อยศีลภิกษุศีลภิกษุณีเป็นศีลมหาศีลมัชฌิมาศีลจุลศีลว่าไปนี่เป็นศีลสมมติทางบัญญัติ แต่ศีลโดยประมาทตปแปลว่าจิตที่ปกติอ่าประมาทัสองชั้นนะจิตที่ปกติต้องเป็นจิตที่อายชั่วกลัวบาปถ้าจิตไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปเป็นจิตที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นคนที่จะปิดศีลภายนอกนะ่ยต้องผิดศีลภายในก่อนอ่าต้องผิดศีลภายในหมายความว่ า, างไงหมายความว่าจิตของเราเวลามันโกรธมาเนี่ยมันปกติไหม โกรธนี S <S <S <S ่เป็นความชั่วไหมเราอายไหมเวลาโกรธไม่อายเวลาโกรธนี่เป็นบาปไหมเป็นบาปเราเคยกลัวบาปไหมเวลาเราโกรธแสดงว่าเราบมดศีลที่ไหนนู่นแล้วใช่ไหมเพราะเราไม่เวลาเราโกรธเราเกลียดเราเครียดเราขุนเนี่ยน่าอายแต่เราอายไม่ไม่อายเราโกรธเกลียดเครียดขุนเนี่ยมันเป็นบาปแต่เรากลัวบาปไหม เราก็ไม่กลัวเพราะเรายังกลัวได้อยู่นั่นแสดงว่าเราไม่อายชั่วกลัวบาปแล้วก็ผิดศีปลปรามัดเลยใช่หมนานนานนานนี่เห็นไหมนี่คือตัวศีปลปรามัดถ้าหากว่าเราผิดศีปลปรามัดศีลภายนอกผิดได้ไหมผิดศีลภายนอกเมื่อผิดศีลภายในคือศีลใจแล้วเนี่ยเราไม่อายชั่วไม่กลัวบาปบาปนั้นก็แสดงออกมาทางกี่ทางสองทางใช่ไหมทางกาย เวลาเราจิตเราผิดปกติเราเกิดจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายมาล่างกายเป็นไงบ้างจะผิดปกติใช่ไหมหน้าที่เคยเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสก็จะเปลี่ยนไปเป็นหน้าบึง้งหน้าบูดตาของเราที่หวานก็เป็นตาอะไรตาร้อนตาลูกเป็นไฟเป็นทายักไปเลยนี <c oughs> ่เห็นไหมมันก็จะออกมาทางทีนี้ออกมาทางกา ย, ยางั้นที่คาพูดพูดออกมาเพราะไหม ไม่เพราะแล้วเป็นคําพูดที่ด่าว่าเสียดสีเป็นคําพูดที่หยาบคายเป็นคําพูดที่ส่อเสียเป็นคําพูดที่เผยเจอออกมาละเนี่ยมันก็จะออกมาผิดศีลทางพอออกมาทางกายวาจารผิดศีลสมมุติแล้วทีนี้พอมันผิดที่จิตเนี่ยผิดศีลปรามัดแต่ออกแสดงออกมาทางกายวาจารไปผิดศีลสมมุติเพราะอะไรเพราะกายวาจามันเป็นรูปใช่ไหมะอะไรที่จะค้องด้วยรูปหรือว่าสมมุติอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้น หลวงพ่อทูลบอกว่าเที่ยวนี้เราจะมาว่ากันทีละประเด็นประเด็นทุกประเด็นหลวงพ่อจะตีให้เห็นทังสองหน้าหน้าสมมุติก็หน้าประมัตดหน้าที่เป็นบัญญตัติและหน้าที่เป็นสภาวะนะทางนี้เพื่อให้เราได้ปฏิบัติให้ได้ละเอียดขึ้นนะนี้เมื่อท่านสมมุติว่าตัวองค์พุท ธ, ธะคือธรรมวินยัย หลวงพ่อก็มาแยกว่าควาว่าวินัยเนี่ยหมายถึงตัวสติมีสติท่านบอกว่าพระอริยเจ้ามีสติเป็นวินยัยอ่าและอริยวินยัยท่านเรียก ว, ว่าอาริยกันตสินนะสังเคปสาโทยัสสปสังเคปสาโทยัสติอุชูเพจผู้ตัญญาทัศนังอ่าเพราะนั้นเมื่อเราเห็นตัว จิตของเราที่มีปกติศีลก็มีวินัยก็มีนะสติก็มีแล้วเวลาเราผิดศีลก็หมายถึงว่าตามปกติจิตของเราที่มันปกติเนี่ยมันอยากจะคิดอะไรไปเรื่องราวต่างๆัหมความคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆมันเป็นปกติของจิตัหมมันเป็นธรรมดาของจิตไหมต่อ น, น้ำมาสักขวดนะะึงอะ น้ำเนี่ยถ้ามันปกติเนี่ยน้ำมันจะใสหรือมันขุ่นมันจะใสใช่ไหมน้ำจะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นถ้ามันปกติไม่มีกลิ่นน้ำดีมันรสมีรสไหมถ้ามันปกติอถ้าน้ำนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่รสปนุงไปเขาเรื่องน้ำปกติใช่ไหมแต่ถ้าน้ำนี้มันมีสีมีกลิ่นมีรสถือว่าน้ำไม่ปกติไหมจิตของเราถ้ามันมีสีคือมันคิดมีกลิ่นคือมันปรุงแต่ง มีรถคือมันคิดต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นจิตปกติไหมนานาน า, นาเริ่มเห็นแล้วจิตที่คิดเนี่ยกับจิตที่ไม่คิดจิตไหนที่ปกติจิตไหนที่ผิดปกติ <c oughs> แต่น้ำเนี่ยมันมีสองอย่างหนึ่งน้ำที่เราปรุงมันสองน้าที่มันปรุงของมันเองน้ำที่เราปรุงมันเช่นเอาน้ำนี่ไปชงกาแฟเอาน้ำนี่ไปชง นมเอาน้ำนี้ไปใส่หม้อกแกงอันนี้เราปรุงมันใช่ไหยจําเป็นไหมจําเป็นถ้าหากว่าเราไม่เอาน้ำนี่ไปปรุงน้ําจียกลายเป็นของที่เราน่าดื่มได้ไหมไม่ได้สมงว่าเราเอาเอาน้ำนี่ไปตั้งบนถ้วยเราก็สมมุติว่าน้ำ น, นี่เป็นแกงอย่างนี้นะเราก็ตักน้ํ า, นานเนี่ยใส่ถ้วยกินข้าวอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องปรุง น, น, น้ําเนี่ยแกงถ้วยนะั้นเราจะกินหมดไหม ไม่หมดเพราะมันไม่ได้ปรุงดังนั้นน้ําที่เราตั้งใจปรุงตามต้องการเรียกว่าน้ํานั้นถูกสมมุติสมมติว่าเป็นแกงสมมติว่าเป็นกาแฟแต่น้ําที่เป็นปรมาณคือน้ําที่ศาสตร์เหมือนเดิมคือหมายความไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่น้ําที่มีสีมีกลิ่นมีรสถือว่าเราใช้สมมติบางครั้งเราใช้ปรมัาณ เมื่อใดเราจะดื่มน้ำสะอาดเราใช้ปลาร้าเมื่อใดเราจะดื่มน้ำที่เอาไปปรุงให้มันเป็นรสนิาติเราได้น้ำสมมุติแต่น้ำสมมุติมาจากน้ำอะไรก็น้ำสะานั่นเองใช่ไหมนะจิตของเราเมื่อกันถ้าจิตของเรามันเป็นปกติไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่รสหมายก็มันก็คือตัวเหมือนน้ำใสๆความคิดมีสองอย่างหนึ่งความคิดที่เรา ตั้งใจปรุงสองความคิดเราไม่ตั้งใจปรุงน้ำเนี่ยเราตั้งไว้นานๆถ้ามันน้ำในป่าเนี่ยที่มันใสาตาหม่างนะถ้าใบไม้ตกลงไปหรือฝุ่นผงตกลงไปนานๆน้ำตัวนั้นจะเป็นอะไรเราไม่ได้ปรุงนะหรือเราเอาตักเอาน้ำขึ้นมาจากแอง่งจากอ่างจาก ที่ไหนฝนมันตกเราก็ตักน้ําขึ้นมาเราไม่ได้ปลุงมันนะน้ในั้นสะอาดไหมแล้วตักมาจากในแอ่งในอ่างที่ฝนตกลงมาในถังในแทงในเล็กในเนี่ยแล้วตักขึ้นมาเนี่ยเอามากินเลยได้ไหมมาดื่มเลยได้ไหมน้ำในเล็กอ่ะน้ําในหนองอ่ะดื่มยินได้ไหมอ๋อไม่ได้แล้วแต่ต้องพูดให้ตรงๆแล้วแต่ไม่ได้พูดให้ตรงว่าดื่มได้ไหม ะะ อ, ะอ่าดื่มไม่ได้เพราะมันไม่สะอาดพูดตรงๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่กลัวโรคภัไข้เจ็บนะเราก็ดื่มได้แต่ถ้าเรากลัวร่างกายเราผิดปกติเราก็ดื่มไม่ได้ถ้าดื่มแล้วร่างกายผิดปกติผิดศีลทางไกาอีกใช่ไหมเพราะน้ํามันไม่ปกติก็ทําให้ร่างกายผิดปกติดังนั้นน้ําที่มันปรุงเองโดยธรรมชาติเนี่ยเหมือนจิตของเรามันคิดเองโดยที่ไม่ตั้งใจมันก็ไม่สารเหมือนกัน น้ำในแอง่งในอ่างในเลขในน้องในงต่างเนี่ยมันถูกปรุงโดยธรมชาติไม่มีใครไปปรุงมันนะมันปรุงเข้ามันเองเหมือนจิตของเราบางครั้งมันคิดไปเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจคิดนะแต่มันคิดไปเองผิดปกติไหมเพราะอะไรเพรามไม่สะอาดใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นคําว่าปกติมีสองอย่างหนึ่งปกติที่เราไม่ได้ปรุงถือว่าผิดปกติสองปกติที่เราปรุงถือว่าปกติที่เรา ควบคุมได้เช่นน้ำแกงน้ำกับแฟน้ำนมพวกนี้กินแล้วเป็นโทษไหมกินเป็นก็ไม่เป็นโทษใช่ไหมแต่กินไม่เป็นก็เป็นโทษอีกนะเนี่ถ้าเป็นสมมุติเนี่ยต้องใช้ให้เป็นแต่ว่าน้ําสาดเนี่ยเราจะกินเป็นไม่เป็นน่ยมันมีโทษไหมไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงนี่เพราะนั้นตัวจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามันเป็นศีล มีส อ, อย่างหนึ่งศีลโดยสมมุติกับศีลโดยปรมัทิตย์นะแต่ศีลโดยสมมุติมีสองอย่างหนึ่งสมมุติที่มันเป็นเองสองสมมุติที่เราปรุงมันนีอันนี้มันจะละเอียดขึ้นมานะแต่ว่าในที่นี้ให้รู้จักไว้ก่อนว่าตัววินัยคือศีลแล ะ, ะตัววินัยนั้นคือสติคือศีลและตัวทํานั้นคือได้แก่ตัวปรมาิตย์และตัวปัญญา ท่านจึงสมมติให้ใหนชัดเป็นศัพ์ว่าทำและวินัยใดที่เราจะทากดตัดไว้ที่นั้นๆั้นทและวินัยนั้นจะเป็นศาสตาแทนเรา <S <S นั่นหมายความว่าธรรมวินัยในองค์แห่งพุท ธ, ธและองค์พุท ธ, ธมีสองลักษณะหนงองค์แห่งพุท ธ, ธที่เป็นสติองค์แห่งพุท ธ, ธที่เป็นปัญญาองค์แห่งพุท ธ, ธที่เป็นสมุติและองค์แห่งพุท ธ, ธที่เป็นปรมาทวินัยเป็นสมมติพระธรรมเป็นปรมตที่นี่นะเพราะในตัว พระธรรมเนี่ยเป็นองค์แห่งพุทธะอย่างไรพระธรรมเป็นเหตุหรือเป็นผลอ่าพระวินัยเป็นเหตุหรือเป็นผลสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเราแตทาคดตรัสสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้น ตัวทำนั่นแหละเป็นตัวเหตุเวลาเราแสดงเออเวลาเร า, าฟังธรรมเนะี่ยพุทธเจ้าในในธรรมอเ น, นืออัฏฐานยุตตาธรรมัญยุตารู้จักเหตุอัฏฐานยุตารู้จักผลอัฏฐานยุตตาธรรมัญยุตารู้จักเหตุธรรมจึงแปลว่าเหตุเกิดธรรมแปลว่าสัจจะธรรมแปลว่าของจริงธรรมสภาวะที่ทรงอยู่มันเป็นเหตุอันหนึ่งนะ แต่คนไหนรู้ถึงต้นต่อของอะไรก็ตามรู้ได้ลึกไปถึงต้นตอ่อนั้นแสดงว่าคนนั้นเป็นคนมีปรรัญญาคนมีปัญญาจะมาแก้ปัญหาที่ต้นหรือที่ปลายที่ปลายเหตุหรือต้นเหตุตนคนมีปัญญาต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคนที่ไม่มีปัญญาก็ยังมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะเหตุมีสองอย่างเหตุต้นละเหตุปลายนะ เพราะฉะนั้นถ้าทำนั้นได้แก่ตัวปัญญาเพราะเป็นต้นเหตุนะเมื่อเป็นอย่างนั้นมนุษย์ของเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มีสติปัญญาไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหานี้ต่างๆกันสมมติว่าหนึ่งถึงสิบขั้นเนี่ยปัญหากวาจะมันจะมาเกิดปัญหาเนี่ยมันจะวิ่ง เก้าที่หมาถึงเ้าที่สิบมันจะเกิดปัญหาที่ที่แก้ยากแถวอันที่หนึ่งเนี่ยแก้ง่ายอันที่สองแก้ยากขึ้นหน่อยยากขึ้นตามระดับจนไปถึงอันที่10แก้ไม่ได้ละแต่ใครมาแก้อันที่หนึ่งปั๊บเนี่ยจะแก้ได้แล้วแก่ง่ายแล้วแก้ไวนี้เรีว่าคนมีปัญญาปัญหาเดินไปถึงขั้นที่สิบแล้วไปแก้เนี่ยแก้ได้ไหมแก้ได้แต่ยากแต่คนไม่มีปัญญาก็จะไปแก้ในจุดเนี้ย เพรา ะ, ะรเพรามันชัดขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นเองการที่จะมารู้ต้นเหตุของปัญหาต้องมารู้ที่ทำที่ทำเกิดที่ไหนทำก็เกิดที่ตัวอย่าลืมว่าพระธรรมกับวินยัยในส่วนวินัยเนี่ยถือว่าเป็นเหตุหรือเป็นผลเอาละทีนี้นะ นักปฏิบัติเก่าทั้งนั้นเลยพระวินัยเนี่ยเป็นเหตุหรือเป็นผลพระวินัยเนี่ยเป็นได้ทั้งสองอย่าง <Okay. S 1> เป็นได้ทั้งสมมุติและเป็นได้ทั้งปรมาทิตยแต่พระธรรมเนี่ยเป็นได้ปรมัติตยโดยประการเดียวเพราะอะไรเพราะวินัยเกี่ยวข้องด้วยกายวาจาใจ แต่พระธรรมเกี่ยวข้องด้วยใจโดยประการเดียวกายวาจาเป็นสมมุติใช่ไหมพระวินัยเกี่ยวข้องด้วยแต่จิตเป็นธรรมเป็นปรมัตา์โดยประการเดียวเพราะฉะนั้นวินัยจึงเป็นทั้งสมมติและประมาจาร์ถ้าเกี่ยวข้องด้วยใจวิริธรรมเกี่ยวข้องด้วยวาจาแลกายและวาจาก็เป็นพระธรรมเพราะฉะนั้นกายวาจาใจก็คือพระธรรมวินยัยจำหลักได้เลย น, ะนี่คือตัวพุทธะ แต่ทีนี้พุท ธ, ธเนี่ยเราจะต้องสามารถแก้ปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราไปแก้ปัญหาในขั้นที่10บเลยเนี่ยตัวพุท ธ, ธยังมีน้อยมากทีนี้เราจะเริ่มแก้ปัญหาขึ้นมาขั้นที่9ก้ขั้นที่แดขั้นที่7็ตัวองค์พุท ธ, ธะจนโอพุท ธ, ธใหญ่ที่สุดมาถึงขั้นที่หนึ่งปัญหาเกิดป๊อบแก้ทิ้งปุ๊บเลยนี่หมายความพุท ธ, ธสมบูรณ์ ล, ละจนกระทั่งว่า ก่อนที่จะเกิดขั้นที่หนึ่งรู้ละนั่นคือสําเร็จเป็นพุทธตรงนั้นแต่ว่าพอขั้นที่หนึ่งี่เริ่มเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นการเรารู้ปัญหาก่อนปัญหาเกิดไหมไม่ต้องมีการนับหนึ่งของปัญหาใช่ไหมปัญหาเป็นศูนย์นั่นคือตัวพุทธเข้าตัวสูนพุทธะดังนั้นตัวพุทธะที่แท้จริงคือรู้เหตุของปัญหาก่อนแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดถ้าโลกเกิด ขั้นที่หนึ่งโรคเริ่มเกิดแล้วใช่ไหมไปถึงขั้นที่สิบตายแต่ร่างกายไม่เกิดโรคเลยเนี่ยมันไม่ต้องนับหนึ่งของความเจ็บเราใช่ไหมนี่เรารู้ก่อนว่าอะไรทําจะให้จะทําให้โรคเกิดเราป้องกันเมื่อถ้าหากว่าเราปัญญาไม่พอเราป้องกันไม่ได้ความป่วยเกิดแล้วนับขั้นที่หนึ่งจะไปถึงขั้สิบจะป่วยจากเบาที่สุดไปถึงหนักที่สุดแก้ยากไปเรื่อยๆ แต่พอเรามีปัญญาปั๊บเรารู้เหตุของความเจ็บป่วยก่อนเราป้องกันไม่ให้โรคเกิดเลยนั่นหมายความมีปัญญาที่สุดคือพุท ธ, ธะเพราะมันรู้ทางแก่นี่เห็นไหมนี่ไป็นรูปธรรมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าองค์พุท ธ, ธะนะองค์พุท ธ, ธะที่แท้จริงพุธทธังสนังก็จฉามิเราถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งคือถึงได้ทั้งสองอย่างทั้งสมมุติและทั้งปรมัาท ถึงแบบนี้เรียกว่าถึงที่พึ่งถ้าหากปัญญายังเกิดไม่จบไ ม, ไม่ไม่ครบเราก็ไปแก้ปัญหาไปเหตุก่อนเมื่อไรปัญญาเกิดครบขึ้นมาเรื่อยเรื่อย ๆ, ๆจนมาถึงต้นเหตุเมื่อแล้วมาแก้ปัญหาต้นเหตุองค์พุท ธ, ธาก็เกิดในเราแต่ถ้าเรายังเป็นไปหาแก้ปัญหาไปเหตุอยู่เราก็ไปถือองค์พุทธะที่ไปเหตุพุทธะในประวัติศาสตร์ในตำราพุทธะในความที่เรา ถือพุทธะที่เราแขวนพุทธะที่เราไหว้ทุกวันนะก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะแต่เป็นปัญหาปลายเหตุคนทั่วไปเขาถือพุทธะเป็นที่พึ่งไหมถือแต่เขาหมดปัญหาไหมยังไม่หมดเพราะเขาเอาพุทธะที่เป็นปลายเหตุแต่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาศึกษาพุทธะที่เป็นต้นเหตุคือรู้คือรู้จิตรู้ใจของตัวเองว่าอะไรเกิดขึ้นจิตผิดปกติหรือไม่ปกติรู้ว่าจิตปกติเป็นศีล ทีนี้เราก็มาสร้างตัวดวงตาถ้าไม่มีดวงตาเราก็จะไม่เห็นพุทธะใช่ไหมนี่มาสร้างตัวดวงตาน่ะเรียกว่าธรรมจักสุดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยพระพุทธดวงตาคืออะไรนี่เรารู้ว่าพุทธะมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นหรือเห็นอยู่แต่ไปเห็นตั้งแต่พุทะที่เป็นสมมุติเท่านั้นแต่พุทธะปรมัตเรามองไม่เห็นน่ะคนทั่วไปก็จะรู้พุทธะที่เป็นสมมุติคือ ผูท่าในประวัติศาสตร์พุทธาเป็นรูปเป็นเหรียญผู้ทธาที่เป็นคุณงามความดีพุทธาที่เป็นบารมีธรรมผูท่าที่เป็นคนเล่าถือดือหากันนี่เขาเรียกพุท่าโดยสมมุติถ้าเราถึงพุท่าระดับนี้เป็นที่พึ่งเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะปัญหาภายในแก้ไม่ได้แก้ปัญหาภายนอกได้ดังนั้นในชั้นเราจึงมาถื อ, อเอาพุทธาภายในเพราะเรามีดวงตาคนที่ยังไม่มีดวงตาก็เอาผูทธาภายนอกเป็นที่พึ่งก่อน อย่างเรามีนังสือพุทธศาสนาเนี่ยนะเรานั่งถือมานานแล้วถามว่าเราเอ า, อาปัญหาและความทุกข์ออกได้ระหว่างกายวาจาใจเนี่ยออกได้ระดับไหนระดับกายเอาปัญหาออกได้ไหมระดับวาจาเอาปัญหาออกได้อย่างนี่สมมติแบบพุท ธ, ธอยู่นะแต่จนกระทั่งว่าระดับจิตเนี่ยเอาปัญหาออกจากจิตได้นั้นเขาเรียกว่าเข้าถึง อ, องค์พุทธะที่เราต้องการพึ่งคือพึ่งพุทธะที่อยู่ในตัวเรานี่เรียกว่าการเข้าถึงพุทธะ นั้นเวลาเราสวดบทที่สองว่าโยธรรมังปสติโซมังปสติโยมังปสติโซธรรมังปสติโยธรมมังปสติโซปฏิจจะสมุปทางปสติโยปฏิสพังปสติโซธรรมังปสติเนี่ยตรงเนี้ยพุทธว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นคือเห็นตัวเราเรานี่มีสองอย่างนะหนึ่งเราเอง สองเราคือพระพุทธเจ้าเราจะเข้าถึงแบบเราคนไหนอ่ะเราตรถาคตเนะ่ถ้าหากว่าเรายังไม่เกิดดวงตาเราก็าไปเอาตถาคตพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าในสมมติมาเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเมื่อใดเราเกิดดวงตาปับ๊บเราก็คือเราเองนี่แหละเป็นที่พึ่งเอากายเอาใจเอาวาจาเราเองเป็นที่พึ่งนี้แล้วเข้าถึงพุทธเจ้าโดยปรมาจารย์เข้าถึงพุทธเจ้าโดยสมมุติก็คือพพุทธเจ้าข้างนอก แล้วต่อมาท่านหนูบอกว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมหมายความผู้ใดเห็นตัวเราเองก็ดีผู้นั้นก็คือเห็นตัวธรรมคือเห็นพระพุทธและผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสุบัตนั่นคือเห็นเหตุเกิดทุกข์นีปฏิสุบัติคือเหตุเกิดทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นตัวเองคือเห็นว่าเหตุเกิดขึ้นตรงไหนในตัวเองเนี่ย แต่หากว่าเห็นปฏิสุบัติกับพระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นประวัติศาสตร์องค์ที่เป็นตำราก็ไม่มีที่ตั้งล้เพราะฉะนั้นเขาว่าปฏิสุบัทก็เหตุเกิดทุกข์อยู่ตรงไหนแล้วไปเห็นตรงนั้นแล้วก็ดับตรงทุกข์ตรงที่เหตุนี่คือชัดเจนว่าตัวพระพุทธเจ้าที่เราเห็นที่พึ่งได้คือตัวเราเองเพราะเหตุเกิดทุกข์มันเกิดตรงนี้ไม่ได้เกิดกับพระพุทธเจ้าที่ผ่านไปแล้วอันนั้นตรงนี้คือชัดเจนนะดังนั้น เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาศึกษาคำว่าพุทธังสนักระฉามิให้ลึกซึ้งนะและพุทธังสนักระฉามิตรง น, นี้ก็หมายถึงพระธรรมและวินยัยเป็นที่พึ่งเราจะต้องมีทั้งวินยัยทั้งสมมุติและวินัยปรมัตวินัยสมมุติหมายของว่าเราจะต้อง อ, อยู่กับสังคมเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดเสีเสดไม่ ร่วงเกินละเมิดในสิ่งของรักของขวงผู้อื่นเราจะต้องไม่ทําลายสติสัมยัาของตัวเองอันนี้วินัยแบบสมมุติเราก็อยู่ในโลกนี้ได้ใช่มไหมเรารักษาวินัยแบบสมมุติเราก็อยู่ในโลกได้สบายพอเราได้เกิดดวงตาเราเห็นวินัยโดยประมัดก็คือมารักษาจิตของเราให้มีวินยัยจิตของเราที่มีวินัยนี้เรียกว่ามีจัดระเบียบของจิตของเราจัดระเบียบจิตของเราให้มันมี อ่าปกติถ้าจิตของเราผิดปกติแล้วมันผิดระเบียบหมายความว่ามันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเราจัดระเบียบให้จิตให้มันอไม่ต้องคิดอะไรกับจัดระเบียบที่จิตมันคิดไปแล้วให้ปกติเนี่ยอันไหนง่ายกว่าอันไหนยากกว่าฟังอีกครั้งนะเราจัดระเบียบกับจิตที่มันคิดปรุงแต่งไปแล้วเนี่ยให้มันกลับมาปกติกับรักษาจิตที่ปกติอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้มันปรุงแต่งเนี่ยอันไหนยากกว่าอันไหง่ายกว่าเออ ออคิดเรื่องนี้ให้ดีนะซ้ำกันใครว่าซ้ำกันหลวงสุพรแลเราจัดระเบียบจิตที่มันคิดไปแล้วกับจัดระเบียบที่ยังไม่ทันคิดเนี่ยไหนง่ายกว่ากันต้องคิดนะเพราะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ต้องวิจัยกันถึงลากถึงแก่นเลยนะถ้ากามานั่ง ทำมาเดิมเดิมนี่ไม่ก้าวหน้าแล้วจะต้องมาพิจารณาคุณเบ ย, ยังไม่แจ้งนะว่าจะเอ า, ายังไงจัดการกระจิตที่มันคิดไปแล้วก็จัดการที่จิตที่ไม่ทั น, นคิดเนี่ยไห น, นมันง่ายกว่าคิดไปให้วกว่าหรอือ <x> ไปเก็บน้ําที่มันหกคว่ำไปแล้วเนี่ยกับรักษาน้ําที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยไห น, นง่ายกว่าเอาชัดๆกันอย่างนี้เลยถ้า <x> ตอบไม่ได้นี่หมดปัญญาแล้วมันก็อยู่อย่างเดล้ว นอนั่นหมายความว่าเราไม่มีอะไรไม่มีตัวนี้ไม่มีฝ า, าอ่าถ้าขาดตัวนี้แล้วคุณก็ไปไล่เก็บน้ําที่มันหกมาแล้วเนี่ยยากหรือง่ายมันยากเพราะฉะนั้นคุณก็หาตัวนี้มาด้วยเองนะอไปหาเก็บตัวนี้มาให้ได้เพราะเก็บตัวนี้ได้มันข้อมกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งมันก็ไม่ไปได้นะเพราะนั้นยากง่ายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องมีตัวนี้ เพราะนั้นครั้งแรกที่หลวงพ่อไปถามธรรมะหลวงพ่อเทียนองท่านตอบแบบนี้เลยนะคุณต้องไปหาตัวนี้มาหลวงพ่อใช้เวลาหาเป็นสิบสิบปีแล้วกว่าจะได้นะเพรได้มาแล้วโอ้โหใช้อะไรทีนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยแค่นี้และเพรานั้นเองเรารักษาจิตที่มันยังไม่คิดเนี่ยง่ายกว่าใช่ไหมรักษาจิตที่ปกติมันง่ยถ้าจิตมันผิดปกติไปแล้วเหมือนกับ น, น้ําเนี่ยมันสะอาดอยู่กับน้ําที่มันมันขุนไปแล้วไดเอามากรองขึ้มันสะอาดเหมือนเดิมเนี่ย มันยากกว่าใช่ไหมแต่น้ําที่สะอาดที่สะอาดแล้วมันไม่เป็นไปทําอะไรมันสะอาดอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้แตไม่ต้องทําอะไรเลยแต่น้ําที่มันขุนไปแล้วเอามากรองมันสะอาดมาแลโอ้โหต้องผ่านหลายขั้นตอนทีเนียคุณจะต้องไปหุงไปกรองไปกันไปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทุกข์ของคนเราก็คือปล่อยให้จิตมันคิดไปแล้วก็มาจัดระเบียบมันทุกข์ใช่ไหมทีนี้มาปฏิบัติเนี่ยเราเราไม่ต้องการให้ไปจัดระเบียบที่จิตมันมันคิดไปแล้วเราต้องการที่จะรักษาจิตที่มันยัง บริสุทธิ์สะอาดอยู่เนี่ยให้มันอยู่แต่ว่าตัวที่รักษามันได้เนี่ยต้องมีตัวนี้ให้ได้ต้องไปหาตัวนี้ให้ได้ต้องสร้างตัวนี้ให้สําเร็จหลวงพ่อก็เลยถามว่าเออถ้าว่าขวดนี่มันไม่มีเกลียวเนี่ยคุณเอาฝาที่ปิดไปเฉยเฉยเนี่ยมันปิดอยู่ไหมปิดไปกดไปเฉยอยู่มอ่ามันไม่อยู่ถึงอยู่มันก็หยดอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องไปสร้างเกลียวสามเกลียวเนี่ยเกลียวของอะไรเกลียวของศีลเกลียวของสมาธิเกลียวของปัญญา การที่จะปิดสติที่จะปิดใจได้อยู่เนี่ยจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวล็อกอ่าเห็นไหมต้องให้แน่นเลยนะศีล ส, สมาธิคาว่าแน่นคือหมายความว่าต้องอย่างเคร่งครัดเออต้องอย่างหลมหลัวไม่ได้คำว่าวแน่นหมายความวรักษาอย่างเคร่งครัดนะถ้ารักษาแบบหลงหลัวก็เปิ ด, ป, ดปิดแบบหลงหลัวใช่ไหมลงไปก็น้ําก็หยดอยู่นะติงๆเลยเห็นไหม น, นี้คือเราก็เลยรั่ว ว, วันๆหนึ่งพอเราปิดไม่สดิทเนี่ย จเจริญสติจเจริญสีลเจริญญาก็ไม่หนักแน่นไม่ทําจริงจังมันได้รั่วมมันก็ปิดไม่เคยอยู่ไงเขาคิดปรุงแต่งนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเรื่อยเรก็ค่อยไปเก็บน้ําก็เหลือน้อยแนละ้วใช้ไม่เคยพอแล้วทีนี้ทําอะไรก็ทําท่าจะสติจะไม่พออยู่เลยหลงหลงลงืมอยู่เลยนี่เห็นไหมเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่เข้มแข็งนะดังนั้น ในวันนี้เราเรียนข้อเดียวก็พอแล้วผู้ทางสนังก็ะฉาวมีนะพรุ่งนี้ค่อยเรียนข้อไม่ตจบข้อเดียวนี่ก็เหลือเฟอือแล้วเนาะ น, นั้นเราเอาไปพิจารณาดูว่าว่าในพุทธเจ้าที่เราพึ่งได้นั้นต้องเป็นพุทธเจ้าที่ทั้งที่เป็นสมมุติและทั้งปรเมตทั้งที่เป็นตัวอ่าปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งะถ้าเราปรุงแต่งเราก็ใช้ นะใช้เฉพาะการนะใช้เฉพาะการบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นต้องคิดเรื่องการเรื่องงานนเรื่องการเรื่องงานนั่นเราหมายความว่าเราตั้งใจปรุงขึ้นมาก็ถือว่าไม่ผิดปกติเพราะเราเป็นผู้ทำมันทำให้มันปกติทาให้มันผิดปกติน้ำเนี่ยมันปกติอย่างเนี้เราก็ใช้เฉพาะงานเอาน้ำานีไปชง ยาก็เอาไปตั้งใจเอาไปเฉพาะงานถึงแม้ว่าจะผิดปกติไปแต่สมมุติว่าน้ํานี่เป็นยานะต้ อ, อาไปต้มยาลักษณะนี้น้ําถึงแม้จะถูกปรุงแต่งไปแต่ว่ามันกลับมาเป็นยารักษาเราก็จะไปต้องใช้เพราะฉะนั้นสมมุติเรวาวรู้จักใช้สมมุติถ้าอยู่ในโลกไม่รู้จักใช้สมมุติก็เรียกว่าเราใช้ปรมาณไม่เป็นเรามีปรมาณแบบไม่มีปัญญา รู้รักษาจิตแต่ไม่รู้จักชายน้ำนี้ให้ให้ไปในทางที่จะไปปรุงให้มันเกิดอะไรขึ้นรักษาแต่ใจให้สะอาดแต่ว่าไม่รู้จะเอาน้ำไปปรุงอะไรให้มันเป็นอะไรขึ้นมาเอาปรุงยาไม่เป็นเพราะนั้นเรารักษาจิตต้องมีปัญญาก็คือจะต้องเอาจิตที่สะอาดแล้วเนี่ยไปปรุงแต่งเรื่องการเรื่องงานให้มันดีไปปรุงเรื่องอการเรื่องทำอะไรอยู่ในสังคมนะฮะเป็นไม่มีปัญหา อยู่กับใครก็มีปัญหากับใครพ่อเราปรุงแต่งกายวาจาของเราให้มันถูกต้องตามสมุตินั้นเขาเรียกว่าเอาตัวปรมัดมาใช้ในฐานะที่เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นตัวปรามัดเนี่ยมันคือน้ำใสสะอาดล้ว น, มนไม่ได้หมายให้คุณเก็บไว้เฉยเฉยนะแต่ให้คุณเอาไปใช้คุณจะใช้ซักผ้าซักเสื้อล้างถ้วยล้างชามาแล้วก็แล้ ว, แ, ลวแต่ก็เอาไปใช้ให้เป็นอใช้แล้วถ้ า, าไปใช้แล้วมันก็ทิ้งไปเลยน ะ, อ, ะอยัง กาแฟเนี่ยชงแล้วดื่มแล้วก็มันจะเหลื อ, อไว้เก็บไว้ไกินต่อไปไม่ได้แล้วทิ้งไปเลยนั้นหลายข้อสมมติใช้เฉพาะการเท่านั้นเราก็ต้องใช้ในครั้งต่อไปก็ไม่ใช่เอาน้ําเก่าก็เอาน้ําใหม่น้ําใหม่คือความรู้สึกกายวาจายที่ปกติเนี่ยมันเกิดจากอะไรนี่เราจะได้ว่ากันในวันต่อไปนะแค่วันเดียวก็ชัก ง ง, ง, งมึงกันแล้วนะเนีสีวันนี้ยุ่งแนะ่เพราะน่าต้องใจศึกษากันให้ดีเพราะข้อนี้เป็นข้อสําหรับศึกษาสําหรับคนที่มีประสบการณ์นะไม่มีคนใหม่นะั่นดีแล้วจะเอาคนเก่าให้มันเข้มเข้มข ม, มันนะจะได้ก้าวไปได้นะงั้นก็วันนี้เอาแค่ข้อเดียวคือพูดทางแสังกระฉามิแต่ให้มันครบทุกมิติแต่จะมีสองมิติแหละมิติสมมุติปรมามัิมิติที่เป็นกายเป็นใจนะเราจะได้เอาไปซักซ้อม ในส่วนที่รายละเอียดต่างๆว่าเวลาไหนทำอะไรนี่คงไม่ต้องพูดกันถึงมากแล้วเพราะเรารู้กันล้วว่าตื่นเช้ามาที่สี่ถึงที่ห้าเรก็เหมาะกังกายกันตรงนี้จเจริญสติโดยการรักษาดูแลร่างกายนะฝึกเอาไวใ้ให้มันเป็นนิสัยเพราะอะไร เพราะเราจะได้ไม่เป็นภาระของใครไม่เป็นภาระของหมอไม่เป็นภาระของพยาบาลไม่เป็นภาระของลูกของเมียไม่เป็นภาระของญาติของโยมไม่เป็นภาระของพี่ของน้องถ้าเราเข้มแข็งไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยใช่ไหมแต่พอเราเจ็บเราป่วยขึ้นมาเป็นภาระของหมอพยาบาลเป็นภาระของญาติโยมเป็นภาระของพ่อแม่พี่น้องเป็นภาระของพระต้องดูแลต้องลําบากขนไหวยันเราจะต้องมาศึกษาเจริญสติเพื่อรักษาตัวเองต่อสากายตัวเอง นะนนั้นตีอ่าตีซี่ตีขึ้นมาตีห้าใครตรีมาก่อ น, 5, รร ก, อนก็มาทําก่อนนะแต่หลวงพ่อจะเอาทีวีจอบแบนเล็กอตัวนั้นตัวข้างในที่อยู่ข้างนอกออกมาตั้งตัวนี้คงไม่ได้เนาะมันติดล็อกไว้แล้วเนาะเอาตัวเล็กอยู่อย่เท่านั้นมาเราจะทําอยู่เราจะเอาข้างในก็คงไม่ได้มันรู้สึกจะล็อกแนาะทีวีเครื่องนี้เนะาะเครื่องใหญ่ตรเนี้เอามาใช้ได้ไห ม, ม น, หนักเลยนักเนาะเอาเครื่องในนี่ก็ได้เนาะ เอาเครื่องนี้ได้เพราะ่าพรุ่งนี้ทําไม่ทันก็าสาธิตกันเองก่อนนะจะมีสามชุดใหญ่ๆ ห, หนึ่งชุดอของลมปราณสองชุดของอา마สามชุดของเดรไฟที่เบเทนไลท์หลวงพ่อทำมาสามอย่างนี้ที่ทำเมืองไทยนะแต่พรุ่งนี้ถ้ามันไม่ทันแล้วก็เอาเฉพาะอามากับไฟที่เบเทนไลท์ก่อนชุดลมปราณต้องโฟโลไอ้นั่นเพราะทําไม่โฟโล่หนูทำไม่ครบอะทําได้บ้างท่า นะแล้วก็ที่ห้าถึงที่ห้าครึ่งเราก็ทําวัดสวดมนต์กันนะแล้วก็หรือตั้งจากที่ห้าครึ่งไปเรื่อยๆจะไปถึงหกโมงครึ่งเราก็ศึกษาทําร่วมกันปฏิบัติทํ า, าร่วมกันวิจัยทําร่วมกันหกโมงครึ่งนี้รับประทานะเจ็ดโมงก็ศึกษาไปเนะาะไม่ค่อยฉันเสร็จแล้วก็ประมาณสักเจ็ดโมงนะเพราะช่วงจากเจดมงถึงสิบเอ็ดมงเราก็จะได้ปฏิบัติกัน พอถ้าไปฉันสายเจ็ดโงถึง8ปดโมงอ่ะก็ซึ่งอีกสองชั่วโมงฉันนีกแล้วมันก็จะง่วงห้องะมใกล้เกินไปเพราะนั้นช่วงเช้าเราก็า จ, จะฉันอะไรเบาๆเป็นพวกผักผลไม้อะไรมันจะมายุ่งยากช่วงเชา้าเบาๆนะจริงๆอยากจะให้อาหารน้อยๆด้วยซ้ำไปอาหารเยอะเกินไปไม่ดีเพราะทาให้เราทาตคันของเราอึดอัดนะดัง น, นั้นก็ พยายามนะช่วงเช้าเป็นอาหารให้เบาๆสบายไม่ต้องหลายอย่างก็ได้กินอะไรพอลองท้องมันไม่หิวแร้วที่พงพ่อไปเข้าค่ายเดือนหนึ่งพ่อทันมือเดียวอะช่วงช่วงแปดโมงถึงเก้ามงมือเดียวเลยนะอัเช้าก็ไม่มีตอนเย็นก็ไม่มีนะบ้นะก็เบอกสบายได้อารมณ์ดีนะทุกวันนี้ไปจัดอบรมที่ไหนมีปัญหาเรื่องง่วงเขาเพราะว่าอาหารมันเยอะเกินไปนงานนี้ก็ยังไงก็ศึกษาร่วมกันนะ จากนั้นจากแปดโมงถึงแปดโมงครึ่งถึงสิบเอโมงเราก็มาภาวนาอย่าไปภาวนาตรงตรงน้นนะในช่วงสายเพราะตรงนี้ก็จะมียมญาติยมไปมาทำอาหารกันในนีกน้ก็จะดีเสียงจุกจิกจุกจิกใ น, นช่วงสายถึงช่วงเพลนไปทำที่นู่นช่วงบ่ายในครัวอะไรไม่มีแล้วก็กลับมาปฏิบัติที่นี่นะช่วงบ่าย ก็อตามนั้นช่วงเย็นก็เช่นเดียวกันช่วงเย็นนี้ถ้าหากว่าเราจะเริ่มหกมงถึงเจดโมงหรือ7ดมงถึง8ดโมงเจดโมงน่ก็จะอย่างตะวันรึ้งฟ้าอยู่เนาะเอาเริ่มตั้งทุ่มถึงเนาะทุ่มถึงสองทุ่มมาสวดมนต์ตั้งแต่ทุ่มถึงสองทุ่ม เราฟังถามสองทุ่มถึงสามทุ่มตัวนี้มันเท่าไหร่เนี่ยสามทุ่มก็จะสี่ทุ่มแล้วเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มกันที่ทุ่มหนึ่ง่ไหมจเริ่มสองทุมเดีเมื่อกี้ใช่ไหมวันนี้เราเริ่มเลทสองทุ่มพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มไวขึ้นอีกชั่วโมงหนึ่งเริ่มหนึ่งทุ่มเนาะอืมก็คนไหนจากอาหกโมงถึงหนึ่งทุ่มเราปฏิบัติห้าโมงถึงห้าโมง เรปฏิบัติถึงหกโมงก็ได้6โมงถึงทุมชั่วโมงก็อาบนา้ำแต่งตัวก็ทันเนาะพอหนึ่งทุ่มเราจะเข้าก็ตามนั้นเนาะก็โมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราศึกษารุ่มกันให้เข้าใจเรียนรู้ในสิ่งที่มันะจะเข้าถึงตัวพุท ธ, ธต้นเหตุของต้นตอของปัญหาให้เข้าใจด้วยกันนะให้ก ร, พระพราพร้อมกัน